พูดด้วยความพอใจเธอฟังก็จงฟังด้วยความพอใจตั้งใจมีคิดใส่ใจตามตามมาอะไรอะไรก็ตามพยายามเจ็บคะแนนให้ตัวเองแล้วพระเจ้าเป็นสารอธผู้ฝึกปุรุษที่สามารถฝึกได้อย่างไม่มีใครเยี่ยงกว่า เราก็พยายามฝึกตัวเราเหมือนกับ น, นักกีฬาเก็บคะแนนให้ได้โลกไหนที่มันจะตกไม่ให้มันตกผู้เที่วงอย่ให้ตกเรามุ่งที่จะแก้ไขไม่ให้ตกถ้าคะแนนตกก็เรยว่าฝึกไม่ได้ยังหลงอยู่ยังโกรอยู่ยังทุกข์อยู่เวลามันหลงไม่แก้ไม่เปลี่ยนเป็นลกูก ผมหลงก็หลงร่วยไปเพล้วมันทุกข์ไม่เปลี่ยนทุกข์เป็นลูกรวมทุกข์กัทุกข์รวยไปอะไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ผิดไม่แก้ให้ถูกต้องก็ผิดร่อยไปเหมือนน้าที่เคยลงตรงไหนก็ไหลลงตรงนั้นเคยรั่วตรงไหนก็รั่วตรงนั้นตรงที่ผิดก็ผิดเสมอชีวิตเราก็เช่นกัน เราแผ่เมตตาอย่าว่าแต่ปากนั่นซึ่งถึง จ, จิตใจพรอบจักรวาลขนาดที่แผ่เมตตาทั้งหมดคือศีลของเราคือสมาธิของเราคือปัญญาของเราบางทีก็แต่ปากสมเนียงจังว่าไม่เน้นไม่ใส่ใจ จะเป็นตัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโตเกิดเจเจเกีย ด, ด้วยกันทั้งหมดทั้งทิ้นในเวลาหอนโตจงเป็นจกเป็นจกเติดก็แต่ปาขะส า, าุกแก้วนกขนทองแทนที่จะใส่ความรู้สึกเข้าไปให้มีเมตตาให้อภัยล้างบาปออกจา ก, กจิตใจเหมือนเราล่างหน้า ล่างสิ่งสกปกออกจากใบหน้าหน้าเนื้อหน้าในไปพร้อมกันหน้าเนื้อคือหน้าตาหน้าในคือจิตใจแปงพันแปลงสิ่งสกปกออกจากปากที่มันมีสกปกเป็นปากที่มันเกิดสกปกเป็นคำพูดอะไรที่มันทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษล่างออก เอาสอนตัวเองเก็บตกให้เป็นอย่าปล่อยปะละเลยสอนมาสารถีผู้สอนว่าสอนหัวสอนควยแต่สอนช่างไม่เคยสอนสอนบ้าเวลาเราขีมาขีมาตั้งหัดสอนมันเก็บตกให้ได้ เวลามันเจ็บลูกวิ่งไม่ดีก็ชักสายบังเหียนเอาขาเราสอนมันบอกว่าผิดแล้วเก็บใหม่เวลามันทําผิดมามันวิ่งผิดจังหวะมันไม่นิ่มห่าตัวไหนที่ไม่เคยฝึกเวลาเรานั่งอาจจะนั่งไม่สบายก้นเราจะแตกแต่ว่าตัวไหนที่เราฝึกดี พนของเราไม่ออกจากหลังมา้าไปพร้อมกันเหมือนเรานั่งอยู่ในที่ที่เหมือนทางมิตรภาพนั่งก็ไม่กระดุกกระดิกก็ทำดีการเดือกม้าหลองต่อเคยเป็นนักขี่มา้าขี่ม้าแชง่งขี่มา้าลูกวิ่งเล็กลูกวิ่งใหญ่ จะเจ็บให้ลูกวิ่งเล็กก็เจ็บแบบหนึ่งรักษาบางเหียนเอาโ้นของเราขาของเราบ้างสอนมันถ้าผู้ที่ฝึกไม่คล่องจองกับลักษณะของจองหว่าที่มาวิ่งนะก็ไม่รู้เรื่องสอนมากก็สอนไม่เป็นเอาขาไปเหน็บมันนันก็วิ่งไม่ได้ เหมือนมัดมือมัดเท่าทำอะไรไม่เป็นก็จ ะ, จะให้คอมันขึ้นสวยๆหางมันขึ้นสวยๆมีอยู่จังหวะที่เรานั่งถ้านั่งไมยเป็นคอมันต่าไม่สวยม้าวิ่งไม่สวยแต่มาตัวใดวิ่งยกคอคอดียกหางกอดีใช่ขาเป็นบงเป็นบงมันวิ่งขาเป็นบงไมใช่วิ่งแบบโดด เพราะคนฝึกผู้ฝึกไม่เป็นมากก็ไม่รู้จังหวะไม่รู้ภาษาวิ่งตัวพวยก็เหมือนกันไปใา่ไปขวาไปไม่ตรงเวลามันไปใายไม่สอนมันเวลาไปขวาไม่สอนมันมันก็ไปไม่ตรงเวลามันถูกหลักถูกตัวไม่สอนมันมันก็ไม่รู้หลักรู้ตัวก็มันถูกตัวมันก็ยังดันอยู่ พอคนที่เทียมข้าเทียมไถไม่ได้บวกมันเวลาใดมันถูกต่อถูกลากไมมเราก็ไม่เห็นแต่เมื่อเราสัมผัสเวลาเราไถหน้าเราก็รู้เวลามันถูกต่อเมื่อเราสัมผัสเราก็รู้ก็สอนมันดึงมันหยุดหยุดมันก็หยุ ด, ยดแล้วเวลามันถูกต่อไปไปมันก็นดันได้แต่เพื่อไถก็หัก เทีมยมเกนใส่เบียใสัวเทียมเกลียนคุยทำเกลียนเวลามันไปหลบตอตออยู่ข้างหน้าทาไ ง, งาต้องจับสายธารจับสายธารสอนมันให้คงไปหน่อยดนงั้นเราจั บ, จบแฮนมอเตอจับแฮนยักรยานหลบไปชักงหน่อยเลี้ยวไปชักหน่อยจอบสายธารเลี้ยวไป จะเลี้ยวไปแล้วหายเลี้ยวเลยจบสายทรรให้มันไปอีกตั้หนึ่งแล้วเขาเรียก ว, ว่าพัดเราทั้งบอกด้วยซ้ายขวบอกมันด้วยคำพูดที่เป็นซ้ายเป็นขวมันศักดิ์สิทธิ์มันจําได้สัตว์แม้แต่เสียงเจ้าของก็จําได้ถ้ามันผิดเจ้าของเรียกมันหยุดคนอื่นเรียกไม่รู้ ช่างก็ดีอาจจะเป็นเช่นั้นมา้าวัวควายเหมือนกันหมดมันวิ่งอยู่ทงหนาเราจะไปะจับมันมันเดินอยู่โ น, น้นมันอยู่ไกลเราบอกหยดุดมันก็หยุดมองเคยมาเห็นเราอบอกหยดุดหันหน้ามาอ้าบากใส่เราพว้อมจะเดบากเดสบสะพายมาให้เราจับ มีเราสอนบัณฑการสอนตัวเองนะก็ย right? ิ่งแม่นก่อยการสอนสัตว์จัตนั้นเป็นอันอื่นนั้นอยู่นอกเรานอกตัวเรามันต้องมั่นใจในการสอนเราเราเดินยังไงเราเดินยังไงเรานั่งยังไงชีวิตเราเป็นยังไงมันง่วงเหรือปล่อยมันง่วงไม่สอนมันง่วงเลยไปมันคิดปล่อให้มันคิดไม่ได้สอนมันให้มันรู้มันคิดเรื่อยไป มันสุกมันก็สุกไปไม่ได้สอนเลยมันเห็นมันสุกมันสุกไปมันก็ไม่ได้สอนเรียกว่าประมาทผู้ไม่ประมาทเตือนอยู่ในเพื่อผู้อื่นประมาทผู้ประมาทก็ประมาทเลยไปผู้เนี้ไม่ประมาทเตือนอยู่ขณะผู้อื่นประมาทย่อมละกันไปไกลไกลกันเป็นโยศชีวิตเท่ากัน วันหนึ่งสิบสองชั่วโมงเราใช้ชีวิตยอย่างไรได้เป็นนักเจริญจิติมีเจบทเรียนที่มีค่าเลื่อนฐานะของตอนเองขึ้นเรื่อยๆมันเพียงพอแล้วชีวิตเราไ้าจะมีอายุชะมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงสัมผัสให้มันดีผิดก็ผิดตรงนี้ถูกก็ถูกตรงนี้ เย็นพระเจ้ากานสมาวัตรปรถมฌ า, านมิตกวิจฌานปิติสุขเอก ข, ขัตตาละวิตกละวิจาร์เหตวิตกละวิจารละปิติละสุขเสียได้ก็เลื่อนไปอันวิตกวิจารณ์เลื่อนไปเป็นปิติสุขสุขเลื่อนสุขไปเป็นปัจจิปัจจิเลื่อนไปเป็นอุเบกขาเป็น เอตขตามีแต่สติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจำนานไปจนทานที่สี 5, ่ที่ห้าก็ูัริปัจณิภานนี้สุข ก, ก็สุขด้วยไปทุกข์ด้วยไปไม่ได้สอนตัวเองแล้วก็ฟรีชีวิตมังก็ฟรีปิดฟรีฟรฟรสุขฟ ร, ฟรีทุกข์ฟรีแต่ที่จะมีสติ หลงโกรธโลภก็ฟรีเรื่อยไปไม่สอนไม่สอนตัวเองเราจึงมาค่อยๆฝึกทำให้มันเป็นคนอือนสอนเรามาได้เรื่องนี้เราต้องสอนตัวเราเช่นเราเป็นนักกีฬาอะไรก็ตามเจ็บตกให้ได้บางทีก็จงังหวะเช่น เวลาหรือฟันมีดฟันขวานต้องมีจังหวะตัวที่โตัทางถ้าฟันมีดไม่เป็นมันก็ไม่แรงฟันจบไม่เป็นฟันโจบก็ไม่แรงเหนื่อยง่ายฟันขวานไม่เป็นฟันไม้ก็ไม่ค่อยขาดถ้าฟันเป็นแรงก็ไม่ค่อยหมดขวานก็เข้ามันไปแรงก็จังหวะชีวิตของเราพลังมัน ใช่ถูกมันก็ไม่ค่อยหมดทดแทนกันได้แต่ใช่ผิดก็หมดอะไรทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยเดินขึ้นเขาเดินไม่รู้จักจังหวะบางคนโดนลงเขาขอสันขอสันตีดตดีิดต <c oughs> เออลเขา ไปยืนอยู่เวลาลงเขาไปเย็นอยู่ขาสั่นดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดงานว่าอะไราเดิน ไ, ไม่เป็นะก็เป็นอย่างนั้นถ้าเดินเป็นก็อย่าให้มันกดตึงดึก๊กลงไปดึก๊กแข้งกเกเรอะไรไม่นิ่มเราดึ๊ก อ, อก่อนลงไปสักหนอยน่องเนี่ยน่องเนี่ยอ่อนอ่อนลงไปย่อนลงไปสปริงเดินไปเท่าไหนก็ไม่สั่น ถ้าเดินลงเขาเกินเดินขึ้นเขาเกินก็ไม่ไหน่ไปโหมเกินไปไม่มีจังหวะไม่มีความนมุ่มเอียงไปมันไม่มีจังหวะมันไม่ีน้ำหนักถ้าเดินถูกมันก็มันมีน้ำหนักเดินขึ้นเดินลงเหมือนกันทำอะไรก็เหมือนกันรวมสุขก็มีโรสรวมทุกข์ก็มีลส หมหลงก็ไมีรสอะไรต่างๆมีรสชาติน่าทำให้มีสติมันก็ย่มีมีรสไม่มีรสในเรื่องนามธรรมนูตธรรมคนระยางหัดเนี่ยได้บทเรียนดีดีชีวิตของเราเหมือนตู้พระไปิดกบายของเร า, ใ จ, เราใจของเราเนี่ย แต่ติเหมือนนักศึกษาก็าไปศึกษาตำราเล่มนี้จนจบปริญญาญาตะปริญญากําหนดรู้อะไรง่ายๆการรู้ง่ายๆตรงที่มันหลงไม่หลงญาตะปริญญาตรงที่มันสุกไม่สุกตรงที่มันทุกข์ไปทุกข์กำหนดรู้ในการรู้ตีหลักขณปริญญาแก็แขงได้ แตกแกงได้ไม่เป็นรุ่นไม่เป็นก้อนสุกไม่เป็นสุกทุกข์ไม่เป็นทุกข์โกรธไม่เป็นโกรธหลงไม่เป็นหลงโกิดเจ็บตายไม่เป็นเกิดเจ็บตายแตกแกงเรียกว่าติหลังคณะปะริยาปหานาปริยาทำไม่เรื่องต่างหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปไม่มีเหลือดับกนดับไม่มีเหลือไม่มีเชื่อ มันหมดไปหมดไปหมดไปอย่างนี้ลนะะดินยาเหมือนกันเราจึงมาฝึกของที่มันเป็นไปได้ไม่ใช่มาส่ม 4, สี่สมห้าถ้าไม่ฝึกมันก็จะเสียเวลาเราไม่ีงานไม่ีการไม่ลูกไม่หลานไปเลี้ยงลูกเ้ินหลานเวนะ่ะไปเห็นในหะ้เห็นหะน้าเวน่า ถ้าเรามาฝึกเนี่ยมันก็ทั้งหมดเราเป็นคนคนเดียวเริ่มต้นทั้งหมดถ้าเราดูแลเราดีๆมันก็ทั้งหมดของโลกทุกคนฝึกมันก็ทั้งหมดของโลกครอจั ก, กรวาลครจั ก, กรวาลถ้าเรานับหนึ่งทุกคนความชั่วความเดือดร้อนไม่มีไม่บียดเบียนตนเดอง แน่นอนไม่บีบเบียนคนอื่นแน่นอนเราจะพยายถ้าเราไม่บีบเบียนตนแล้วไม่ใช่ปล่อยไว้เราไปช่วยคนอื่นให้เขาไม่บีบเบียนเขาไปช่วยคนอื่นนะเขาไม่บีบเบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นจนสุดความสามารถของตาไปเนี่ยอาทิตย์นั่นแะก็ไป ไปพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นไปแทนพวกเราที่อยู่สุโกโตว่าเอาพวกเราไปด้วยนี่มาแทนสุโกโตมาแทนพระสงฆ์สุโกโตมาแทนแม่คีสุโกโตมาแทนบาศกบาจิกาวัดป่าสุโกโตมาแทนคนไทยทั้งชาติตนี่คนไทยาศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนี้ สอนไปอย่างนี้ไปประกาศอย่างนี้ไม่ท่อแท้อาอยุแก่แล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ก็หมดหมดจริงๆนะเดี๋ยวนี้จะเดินมาธรรมะจากกติโนนมาไม่ก็เหนื่อยก็เลยอยากจะมาพักเต้นที่ไหนไกลๆนะ่ะเอกนอรก็จะพักที่เต้นโนน วันที่ยี่สิบพฤษภาจะลงไปอยู่เต้นนอนเต้นนอนตากฝนนอนดินเวลาเอาหลังบางระบนดินแมมันมีความสุขจริงๆไปนอนอยู่ภูเวียงเราจะ เ, เต้นมกลางให้ฝนมันตกเอาอะไรมาที่นันให้มาํำเอาเตียงเอาอะไรมาเราได้ต้นข้อต้นหนังล่มดี อยู่ทุกงนาก็นอนอยู่ อ, อนอนหลังลองนอนบนเพื่อนเดินเอาฝนจะตกลงมาตกลงมาที่ลงมาแล้วก็อยากให้มันตกอยากให้ฝนตกมันเปียกนอนเปียกลงดูเขาบอกคนเดินขึ้นไปนอนที่เหมือนจะอยากมานอนไบบนี้นอนคนเดียวเอารองพื้นของกางเป็นนอน เาก น, นอนอเหมือนกับอยู่กับพระพพเจ้าพระเจ้ากันตัดสะลู้ปัสูตรก็บนดินตัดสะลูกก็บนแผ่นดินดแสดงธรรมก็บนแผ่นดินตลอดถึงปรินิเนปันก็บนดินไม่ได้หลังเกียดสักหน่อยเลยนอนอยู่สองสามคืน รู้สึกว่ามันไม่เหยียบผลแผ่นดินนี้อย่างนธนุถนอมอย่างมีชีวิตชีวาเป็นดินนี้ใครเป็นคนหามาไว้ให้เราบรรพบุพรบุษหามาไว้เป็นพะยะตากนั่นนั่งอยู่นั่นเห็นบ่นน่นนั่งอยู่นั่นใส่หมวกทะเลยอ่านดูสิจรรมปณิธานพระชาตาก อันตัวข่าชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติกู้พระศาชนะถวายแผ่นดินไม่เป็นพุทธบูชาแก่พราษาดาสาัมณพระโคดมอาอยุยงคงทนห้าพันปีสัมณขีพร้มปฏิบัติให้เหมาะสมพึกสมถะวิปั จ, จนาพอ่อเช่นชม ขอถวายบังคมรอยพระบาทชาติดายิดถึงพ่อพ่ออยู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่กับภาษาชนะภาษาชนาคงอยู่คู่กับประชาตาภาษาชาสดาปากไว้ให้คู่กันเนี่ยแผ่นดินเนี่ยถ้าพยาตามายกู้ขึ้นมาประเทศไทยมีประวัติชาติตั้งแต่เชียงแสนเชียไปแล้ว สุโคถัยเสียไปแล้วรงศียุทธยาเสียไปแล้วเราตะโกอเชนเนี่ยประยาตาเนี่ยกู้ขึ้นมาเป็นแผ่นดินที่เราอยู่อ๋อใช่ไม่ต้องต่อวิซาเช่นพระจีนจีนมาอยู่นี่ต้องเสียภาษีจันดูจินมาอยู่นี่เกือบสามสิปีต้องเสียภาษีทุกปี พวกเราไม่ไเสียภาษีพระยาตากหาไว้ให้เราแผ่นดินนี้จะทามาค้าขายจะทำอยู่ทำจิิได้ทุกพื้นที่ทุกตารางว่าทุกตารางนิ้วสามารถไปอยู่ได้คนไทยมีบัตรประชาชนเราเป็นพระสงมมีจีวรมีบาทมีอซื้อสุดที่องตาก็สามารถออกหนังสือสุดทให้ผู้ที่บวชเป็นสาคนยอมรับ อ้างได้มีสิทธิเป็นนายที่เปลี่ยนคนหนึง่งใสคนไทยแล้วมีสิทธิที่จะต้องบอกความจริงความเท็จเจรคนไม่กลัวใครไปลอกหลายประเทศมาแล้วไปบอกว่าหลงมันไม่ถูกลู่สึกตัวมันถูกต้องผมโกรธไม่เป็นธรรมผมไม่โกรธเป็นธรรมผมทุกข์ไม่เป็นธรรมผมไม่ทุกข์เป็นธรรมเถื่อนก่อยให้มันเหนือเกิดเจเจ็บตาย เรามีทุกข์เปิดบ้างหน้าเราไมีความอะไรต่างๆเราจะอย yep. ู่ยังไงนี่แหละฝึกอย่างนี้ฝึกสมถะวิปัสนาพ่อเชื่อชมปยญาตาเขาพูดไปต่างหลายร0อยปีแล้วในกรุงรัตนโคสินทเนี่ยสามรอยปีมาแล้วมีคนพูดอย่างนี้ศาสนานีพระเจ้าภาษาศาสตตัดไว้ แม่ชีวิตของเราเนี่ยอะไรเป็นอะไรมองดูซิได้มาจากบรรพบุรุษไม่ใช่เราดีวิเศษบรรพบุรุษที่ให้เลือดให้เนื้ อ, ใ ห, อให้ชีวิตเรามาเนี่ยมีพ่อมีแม่ป้าอาปูา่ย่าตายายหลายชั่วคนจนมาถึงเราเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรให้มันเป็นชีวิตที่มีค่าอย่าเอาเลือดเอาเนือ้อเอากายใจไปทำชั่วสงสารพ่อสงสารแม่ เอามาทำสิ่งที่ดีที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่เอามาทำดีได้มาละความชั่วได้จนถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดของชีวิตพ่อแม่เราอาจจะไปไม่ถึงแต่เราต้องแทนพ่อแทนแม่ปู่ย่าตายายของเราจะปล่อยทิ้งยังไงทุกไม่ได้สงสารพ่อแม่โกรธไม่ได้สงสารพ่อแม่ชั่วไม่ได้สงสารพ่อแม่มีนามสกุล สองนามสกุลมีเชื่อสองเชื่อบวกกันมาเป็นชีวิตเราพ่อแม่แล้วก็ไม่ใช่มีเราคนเดียวมาถึงเรานี่ก็ไม่ใช่เรวคนเดียวมีพ่อไหมมีแม่ไหมมีปู่ย่าตายายไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมือ่อไหรวเราจะทำอะไรจะาพ่อแม่มาทําเราจะไม่เอาพ่อแม่ไปทําชั่วทําเท่า เราทำได้เรื่องนี้สิทธิของเราเราไม่โกรธเราทำได้ไม่ต้องขอร้องขอญาตหลวนตาอย่าให้ผมโกรธด้วยนะหลวงตาช่วยผมด้วยก็ไม่ตายเนี่ยเราหลงหลวงตาผมหลงแล้วช่วยด้วยไม่มีทาหลงเองเปลี่ยนเองทุกเองเปลี่ยนไม่ทุกเองมาเปลี่ยนมาปฏิบัติเปลี่ยนไล่เป็นดีอย่างเนี้มันผิดไหม ถ้าผิดก็พา ก, กันหนีอย่ามาอยู่นี่ถ้าลุงตาสอนผิดมาอยู่ทำไมถ้าหลงก็หลงไปสิไปทำชั่วทำไปสิไปไม่กีว่ว่าทำชั่วที่สุดไม่มีสิทธิ์เดินทางในประเทศไทยได้ลุงตาเคยสอนเยาวชนเน่ะเด็ายเสีบติดสมัยสิบปีผ่านมานะไปแวะอยู่กับเยาวชนสีบติด จนสุดเหวี่ยงทั้งคันชาทั้งผินเฮโรอีนมาถึงขาก马าัม่แต่เฮโรอีนไปจับนักเลงสวนลุมแต่หมัยห้าร้อยสิบหกไประดมทาที่นั่นมีปัญหาเยอะสวนลุมพิเน่ร่วมกับตำรวจจับนักเลงสวนลุมพิเน่บอกดีๆอย่าไปจับเขาเขาคุกเขาตลางให้เขามาหาเราว่าใครต้องการจะ เปลี่ยนชีวิตใหม่ละเลิกมาหาเราเราพาไปบวชจับได้สิบสามคนสาลภาพเอามาบวชเอามาบวชบวชเอาเจ้าคุณเจ้าในวัดไปบวชไี่วัดสนามในสีมาวัดสนามในไม่ใช่ะลรเป็นก้อนอิดตกโกวโรนไปนั่งบวชที่นั่นเป็นสีมานานมาแล้วไม่ได้มีหลังคาชอบ้าไปแล้วกาอะไร คนอิดเกาๆไปนั่งบวชที่นั่นเจ้าพนจังหวัดเลยเอาไปบวชบวชแล้วแบงกันมาหลวงตาเอามาอยู่เนี่ยสามคนตายไปสองคนเหลืออยู่คนเดียว <c oughs> เลิกไม่ได้เอามาเลิกได้แล้วมันกลับไปอีกนะมันก็ติดอีกได้คนหนึ่งคือใคร <c oughs> งานเพี่อนอันนี้ครับเป็นเศรษฐีแล้ว <c oughs> ที่นสมชายสมทรง ที่หยาสวนลมนักเลงส่วนลมนะเดีย๋ยวนี้ครับเป็นเศรษฐีแล้วบางใหญ่เป็นแล้วตั้งบริษัทโรงงานอะไรต่างแล้วก็เอาทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไปเอามาได้แล้วมีเด็กคนหนึง่งติจามะติมามะ้าพ่อก็ก็ปกครองไม่ได้กูก็ปกครองไม่ได้ เอามาให้พระอำเภอร่วมกันกับตำรวจตําเภรอลงไบ้านก็กํากับการตำรวจภูธรแจ้งข้อผู้นัวยการหลงวงพยานแจ้งข้อวัดป่าสุโกโตร่วมกันเอามาให้ผู้ใหญ่บ้านกับนั้นจับเบาคนที่ติดยามามีปัญหาเป็นคน อร่อยในในในสังคมมีเด็กคนหน่งปิยามาปิยมาหรา อ, อยากได้หมอชัยบอกพ่อชื่อหมอชัยให้เพ่าไม่มีเงินบอกพ่อให้ขายควายพ่อก็บอกว่าอ้อยควายก็มีเท่านี้ไปทํานาพ่อก็ไม่ขายขึ้นไปบนเล่าไปผูกคอตายก็เห็นลูกชายขึ้นไปผูกคอบนเล่าพ่อขึ้นไปแจ้ แจแล้วก็ยอมขายขวายซื้อหมอนใสให้ลกูกอ้อหลวงตารู้สึกว่าสลดใจมากขายขวายเสื้อหมอนใสให้ลกูกลูกก็ไม้เล่ามาเหรียนมี่เตติจมาม่าเล่นก็ เ, เลยจับมาขอาจับมาให้ผู้ใหญ่บ้านจับมาบ้านไครบ้านมันจับมาให้ผู้ใหญ่บ้านมาดูแลามานอนเพ่อปวดตัวผู้ใหญ่บ้านมานอนพ่อปวดตัวเด็กมา มาอยู่ที่วัดแต่่าอยู่ที่ภูเขาทองที่นั่นมีกำแพงให่พ่อแม่ให้พ่ อ, พอเอารักษาความปลอดภัยมาดูแลแต่ไมก่อนก็ไม่อพพ อ, พ อ, พอมีปืนด้วย <laughs> มาดูแลแต่เด็กมันไม่ออกประตูสิมันกระโดดตกกำแพงสํารวจหายไปสี่ห้าคนก็รู้ เด็กนี่อยู่ที่ไหนเอ่อเราก็ตามไปตำรวจตามไปก็ไม่เจอบอกว่าถ้าเกินเจ็ดวันจะจับให้พวกออกมาสอง่งก็หลวงตาก็ตามไปตามไป เ, เด็กคนเนี้ไม่เชื่อฟังครูไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไปอยู่กับพระก็ไม่เชื่อฟังพระให้อยู่เพียงเจ็ดวันเนี่ย ไปบอกพ่อกับแม่เขาพ่อแม่หอก็ยอมรับเจ็ดวันเท่านี้เองถ้าไม่กลับนะไปในเจ็ดวันจะไม่กลับไปเข้าคอรสเข้าค่ายเนี่ยจะเดินอยู่ในเส้นทางประเทศไทยไม่ได้หดือดขาดเลยจะเอาอยัางไงถ้้จับได้จะให้ไปอยู่ในค่ายทหารสามปี ไปอยู่วัดเจ็ดวันก็ไปอยู่ในค่ายทหารสามปีจะเอาอย่างไงหลวงตางก็เลยไปพูดกับเขาแบบนี้เธอจะเดินในทางในประเทศไทยไม่ได้ต้นเดินอยู่ในตรงในป่าเหมือนสัตว์จะเอาอย่างไงคนไทยจะเป็นอย่างนั้นหรือเส้นทางทุกเส้นในประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์เดินทางในประเทศไทยได้ทำไม่ก ล, กลับกลับก็ไปพร้อมกับหลวงตาเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาอะไร เราก็ขับแต่งเชื่อแต่งผ้าไปเลมาเข้ากอดนะเดีเนี๋ยนีก็ดีแล้วแล้วยากได้เดี๋ยวนี้ก็ยังพอยังมียามากันอยู่แต่เมื่อสิบปีก่อนน่โอ้โหรอดรอนมากนักเ็งที่จะมานะ่เราล่อให้ฟังยิ่งไปอยู่ในคุกยิ่งชำนาญ ให e ้เราอินสม่ไหก่อนเอาเห็ดินแล้วไหลนะ้ําเอาเสื้อชั้นในเสื้อเชิ้นในบางๆซักไห้สาดซักไห้สะอาไม่ใช่สอนมวยนะอย่าไปทํานะซ <laughs> ักเสื้อชิ้ตในสะอาดเอาเห็ด e ินเบอร์หนึปนลงไปในน้ําในขันเอาเสื้อซักให้ตากแห้งหลับไปจุมมองไปจุมมอง น, นหมือนดูดอ่ะดูดน้ำหมดเอาไปเพลิงไว้ในลมมันแห้งครับส่งไว้เพื่อนพอเพื่อนได้ไปก็เอาไปเกี่ยวหน้ามนี้หน่อยบีบบอกบีบเราก็สูบติดสีดเมาเหมือนกันเฮโลอินเหมือนกันนี่จับมันได้ไม่จับอะไรเป็นเสื้อเนี่ยนี่เขาบอกเราน่ะขาจับเข้ามาเขาเมื่อควบคุณเอาอยัางไงไปขีดยายได้คุกตลางได้งไงโอ้ยสบายมาก ก็พูดนะเรื่องเลียนปริญญาเสพติดยาเสพติดในคุกยิ่งสบายเลยเขาพูดอย่างนั้นป่ามาอยู่ตอนนี้นนการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะพิดแต่ชั่วก็อยู่ไม่ได้ลาบากเกิดโรค ก, ก็ไปอย่างที่หลงตามาตายสมบูรณตายไงไงบวชแล้วมันดีแล้วมันกลับไปบ้านสึกไปสึกไปไปติดอีก ไปดีๆด็หลวงตาตามไปตามไปตามไปก็บอกจัตว่าหลวงตาอยู่วัดสนามไหนเนี่ยให้มาพบที่นี่ก็มาพบว่าไม่ชข้มงาาอะลยมองแมมระพันกงคืนมาชอประตูหรอกนะขอพูดเจ้าหน่อยเนาะฟังไหมสนใจไห ม, <laughs> มนนนยขาอกประตูห <laughs> ลวงต า, าเปิดออกมา ม, มอมแมมนุ่งผ้าผู้หญิงนะ เสี้ยกับเพนเพีพ้ผู้หญิงนะแต่งเกงไงเพื่อนๆฉันนอนฉันนอนนํามูกําตาไหลลายไหลไม่เหมือนผู้คนเลยไ <ๆๆ S 1> อ้อ่อชื่ออะไรนะจําไม่ได้หมายจะไงเนี่ยพูดเบาๆผมตีตารวจตายมาทําไมไปตีเขาผมทะเลาะ ก, กับเพื่อนผมไปขอปืนตํารวจตํารวจไม่ให้ผมไม่ให้ปืนผมผมเลยไปได้ เดินไปลานชอ่อมได้แป๊บมาเอ็นตํารวจเตือนอยู่ผมก็ตีตายตายแล้วผมวิ่งก็ตำรวจก็ไล่ไรเอาหมาไล่ผมก็วิ่งเข้าซอยวันเก่งมันชนํานาญในซอยนะในเฉลิมนะวิ่งเข้าไปกระโดดเข้ากําแพงลุงได้ร้อนไหมหมาก็ไล่ตามไปผมก็เลยไปเปิดถังซ่วมผมก็มุดอยู่ในโคดด้านในเฉลิมเอา พอเปิดลงไ ป, ไปมุดอยู่ในช่วงพอคิดได้ไหมห้อยคอเลยช่วมมันก็มีคูดเป็นน้ำมต้องห้อยคอเอาฝาปิดให้บางพอหายใจได้หมาตารวจก็เข้าไปในช่วงไปเห่าอย่าันตำรวจเข้าไปก็เห็นเมลอะไรแล้วก็ออกไปหมาก็เห่าอยูา่างนั้นไว้โดมช่วง ม, มันก็มีเตคูดเหม็นตำรวดมันก็เปิด มันจะอยู่ได้ไงในหลงช่วงเนี่แล้วก็เราก็เลิกหลัไปพอเที่ยงคืนมาพอเที่ยงคืนมาก็ <Yeah. S 1> ไม่มีตํารวจผมก็ขึ้นจะช่วงผมก็มาอาบน้ําในห้องน้ําเขาเห็นเ <Yeah. S 1> สื้อผ้าผู้หญิงมันตากนันมาผูแล้วใส่มากขามาหาหลวงตาผมเจอโหอนรถไปบังมาลุลงภาคใต้หาญาติที่น่นต่อมาเลยทราบว่ า, วาถามขาา่าวญาติว่าตายแล้ว จะเอาจะปิดหนักปานนี่นะชีวิตเราจะเป็นอยงนั้นเหลยฮะเอาไหมแบบนั้นเอาไหม <c oughs> เอาไม่ชีวิตเรามันเลือกได้นคนไทยหยประเสริฐที่สุดสงสารพ่อแม่เราเน่ยจะทำชั่วได้งไงหมาเป็นคนดีมาช่วยกันน่ยยังมีประโยชน์เอประเทศชาติเนี้โลกหมันร้อนครึ่งปีแล้วฝนังไม่ตกฝนตกเมื่อวานเนี่ย ไม่มีก้เมฆน่าสงสารผลยักษตกเกินไม่มีค้นเมฆมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีเมฆทั้งทั้งอากาศมันน่าจะตกมันไม่มีเมฆก็รินนี้ต่อหน่อยๆในน้ำของก็แห้งแล้วเกิดความโลอนในโลกขึ้นมาค้นทําลายโลกเราจะมาช่วยกันชีวิตหลงตาเนี่ช่วงไม่นานเนี่ยมารักษาธรรมชาติไว้เนี่ยมหาวันสุโกโตเนี่ย พวกเขาทองนะยังพอมีทำหมชอช่าอาจจะว่ามาดูแลหลงตาหมดแล้วหมดสภาพแล้วมาสอนหมอฝึกมาดูแลมีประโยชน์ต่อเพนเดนี่พวกเรานะหลงตามันแกแล้วขออาศัยพวกเราทุกคนเพาะนมนมน ม, มาช่วยกันนะก็เป็นอย่างนี้มาทาความดีเนี่ยมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกถูกที่สุดหมันทุกเปลี่ยนทุกเป็นแม่ทุก สูกที่สุดมันโกรธเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธถูกต้องที่สุดชีวิตเราต้องอิสระจากรานี่ไปจนเหนือกานเกิดเจอเ จ, อเจอ็บตอยไม่ได้พบได้เห็นในสัมมบาบังสูงในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนเถอะ